ผู้ใดไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวตาสงสารผู้นั้นก็มัวมลประมาทไม่ดิบเล่งหาอุทางออกแก่ทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในทงสงสารผู้นั้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติเตือนตนอยู่เสมอ เตือนตนให้ทำความเพียรให้ภาคเพียรพยายามเพร ก, กิจการงานทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันจะสำเร็จรุ่งไปได้ก็เพราะอาศัยความเพียรผู้ใดขาดความเพียรแล้วย่อมก้าวหน้าไปไม่ได้การงานทุกอย่าง เริ่มแต่ทำสวนทำนาทำการค้าขายเป็นต้นไปแหละพูด mm hmm. ถึงผูกครองเรือนพูดถึงนักบวชนี่ถ้าเกียกร์คลานไหวพระภาวนาฟังธรรมแล้วอย่างนี้นี่มันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยไปเห็นแต่แก่หลับแกนอน เช่นนี้เราก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนานแน่นใน จ, ใจิตใจบุคคลผู้เห็นแก่นอนเห็นแก่กินเกินประมาณนอนเกินประมาณอย่างนี้เป็นการสะสมกิเลสให้หนานแน่นขึ้นใน จ, ใจิตใจ ผู้ที่เห็นภัยในกิเลสตัณหาเห็นภัยในความแก่ความเจ็บความตายอันนี้แล้วเพื่อนจะรู้จักประมาณในการกินในการนอนเอาเวลาไว้ประกอบความเพียร น, นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละมันถึงจะ ละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เทียวเกิดเทียวตายอยู่ในโลกสงสารอันนี้ได้อยู่เฉยๆเรื่อยๆไปจะให้กิเลสตัณหามันเหือดแห้งไปไม่มีทางมันต้องประโยคพยายามทั้งความเพียรทั้งทางกายและทางทาง จ, จิตใจไปพร้อมกัน มันถึงจะทำกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบำเพ็ญตะปะธรรมต้องอาศัยความอดทนความอดทนอดกั้นชื่อว่าเป็นตะปะธรรมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ เรื่อการทาความเพียรถ้าไม่ได้อาศัยความอดทนแล้วความเพียรมันก็เป็นไปไม่ได้คำว่าการทำความเพียร น, นี่หมายความว่าเมื่อสิ่งใดมันทำได้ยากเราก็พาเกเพียรพยายามทำไปหาอุบายวิธีแก้ไข ให้อุปสรรคนะั้นมันลุล่วงไปทีละน้อยละน้อยก็เอานี่นะคาว่าความเพียร น, นะไม่เข้าใจคำว่าไม่มีความเพียรเมื่อเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาในชีวิตแล้วไม่พยายามแก้ไขให้ชีวิตนั้นมันปลอดโกงไปได้โดยดี ปลอยให้อุปสรรคเหล่านั้นมันขัดขวางชีวิตยอยู่อย่างนั้นให้ก้าวหน้าไปไม่ได้นั่นเรียกว่าคนม่มีความเพียรมันอย่างนักรบอย่างนี้นะเห็นฆ่าศึกเข้ามาแล้วใจฝ่อเข้าไปเลยกลัวตายเข้าไปเลยอย่างนี้นะ มึงไปรบมันก็สู้เขาไม่ได้แบบนั้นนะ่ะนี่ผู้ที่จะสู้กับข้าศึกได้มันพอเห็นข้าศึกมาก็ไม่กลัวเลยใจกล้าหารยอมสละชีพเพื่อชาติเพื่อประเทศเพื่อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องอะไรงึดเสียสละเพื่อประเทศชาติพูดแล้วนะ เมื่อเขาตัดสินใจสละลงอันนี้เขาก็สู้ได้ไม่ท้อถอยอันนี้ชั้นใดก็ชั้นนั่นแหละเราภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาออกแก่หัวใจก็เพื่อประโยชน์แก่ตนด้วยเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากด้วยโดยเฉพาะก็เพื่อประโยชน์แก่มารดาวิดา ลุงป้านาอาผู้มีพระคุณเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีทากิเลสให้น้อยเบาบางไปได้อย่างนี้มันก็เป็นที่เคารพนับถือเรื่อมใสไม่ว่าแต่คนวงนอกคนวงในมารดาบิ ด, ดาลุงป้านาอาก็เคารพนับถือ ชื่นชมยินดีด้วยลูกหลานของตนที่ได้บวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วตั้งอกตั้งใจทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้หน่อยเบาบางไปอยู่ด้วยความสงบระ ง, งับอย่างนี้นะมันก็เป็นประโยชน์เ่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องวงศาคนาญาติชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วย ท่านเหล่านั้นก็พร้อยได้รับสูวนบุญกุศลด้วยเนะ่คนอื่นๆลนะสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังคล่องอยู่ในโลกนี้เมื่อได้รู้ข่าวหรือได้พบได้เห็นท่านผู้ละความชั่วทำความดีให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นเช่นนี้เขาก็ซึนชมยินดีอนุโมทนาด้วย ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้เขานั้นได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปเพราะว่าการแสดงความยินดีในบุคคลผู้ทาดีนั่นก็ได้รับส่วนบุญกุศลจากผู้ที่ท่านทำความดีที่ท่านเรียกว่าปัตตานุโมทนาไม บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญนี่แหละเมื่อไปเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เรายกมืออนุโมทนาสาธุด้วยแสดงความยินดีขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วนั้นเหมือนอย่าง แต่ครั้งอดีตการมีสามีคู่หนึ่งได้พบพระท่านอง์นั้นก็เป็นพระอระหรันต์วันนี้ก็ได้มีศรัทธาไปใส่บาตรให้ท่านก่อนที่จะใส่บาตรก็ยก ทายาทานจบศีรษะแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งครรมที่ท่านได้บรรลุแล้วนั้นด้วยเถิดพระอรหันต์องค์นั้นท่านพิจารณาเห็นว่ากุศลกรรมที่สองผัวเมียนี้ ทำจะสำเร็จสมประสงค์จริงท่านก็เลยแย้มขึ้นมาแล้วยิ้มขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ว่าสองเมยรยนณะ์ผดเมื่อท่านผ่านไปแล้วก็พูดกันย่าท่านองค์นี้เห็นจะเป็นนักลิเกมาแต่ก่อนนะ เพราะว่าท่านยิ้มสวยเหลือเกินอย่างนี้เนยเท่านั้นก็เป็นกรรมติดตัวไปมีทั้งบุญทั้งบาปอนียว่าคนเรานะ่ะแต่พอดีเกิดมาในาศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ไอ้ฝ่ายผู้ฝ่ายสามีนะั่นน่ะก็ไป ได้กับภรรยาที่เป็นลูกของพวกเล่นลิเกทั้งที่เป็นคนเกิดในตระกูลสูงในตระกูลเศรษฐีซะด้วยวันนี้พอไปเห็นหญิงฟ้อนเข้าอย่างนั้นแล้วพออกพอใจก็ติดตามเขาไป เขาก็บังคับว่าถ้าว่าจะมาแต่งงานกับลูกสาวของฉันน่ะก็ต้องหัดเป็นนักพรนักรมเหมือน ก, นกันกับพวกฉันเองฉันยังจะรับเอาชายคนนั้นก็ตกลงนะต้องฝึกวิถีพรราขับร้องต่างๆแล้วเขา เมื่อได้วิชาความรู้การพนรำขับร้องต่างๆ่างนั้นเราก็เที่ยวไปพนรำขับร้องเก็บเงินทองจากผู้มาดูมาชมเลี้ยงชีพไปพระศ า, าสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของฝ่ายชายนั้นว่าอุปนิสัยแก่กล้าแล้ว ในขณะที่กำลังยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่ยืนอยู่บนปะปลายไม้ไผ่ที่เขาทำเป็นไม้สองอันพาดกันอยู่หัวไม้ไผ่แล้วเหยียบอยู่บนไม้อันนั้นแล้วก็ฟ้อนราขับร้องตรีรังกา ให้คนดูคนชมโดยไม่ตกจากไม่ไผ่นั้นคนกระสวนเสเฮ้าระษาสรากับพระสาวกสี่ห้ารูปเดินไปพอไปถึงตรงนั้นพระองค์ประทับยืนแล้วสั่งให้พระมหาโมคคันลานะนั่นบอกให้ชายคนนั้นเล่นให้คนดู พอเมื่อเห็นพระพุทธองค์เสด็จไปนีะแกก็หยุดเล่นอันนี้พระโมกขลาก็เตือนว่าให้เล่นต่อไปได้ให้เล่นให้คนดูสนุกสนานเฮฮาเหมืนกันแกก็เริ่มเล่นไปพอเล่นจบตรงบทหนึ่งแล้ววันนี้พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นเอง ผู้นั้นฟังอยู่บนปลายไม้ไผ่นุนก็สามารถสำเร็จอรหั ต, ตผลได้จึงได้ลงจากไม้ไผ่นั้นมาแล้วมาขอบวชกับพระศ า, าสดาพระองค์ก็บวชให้โดยกล่าวเอหิภิกขุวาสัมปดาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดจงปราพฤษภมจนันทร โดยชอบเธอเท่านี้บริขารแปะก็เลือดเลื่อนลอยมาสวมเอาเลยผมเผาหนวดเข้าในก็หายไปเราได้เป็นพระเถระตึ้นในปัจจุบันทันด่วนนั้นเลยคนนั่งหลายอัศจรรย์ใจมากเนื่องจา ก, กว่าทำไม พระองค์ทรงแสดงธรรมบารพระคาถาเดียวหนึ่งแล้วท่านผู้ฟังก็อยู่บนปลายไม้นุ่นไม่น่าจะสำเร็จอะไรเลยเพราะว่าอยู่สูงกว่าพระพุทธเจ้านี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญวัฒนาบารมีเมื่อมันมาถึงเข้าเมื่อใดแล้วจะอยู่ที่ไหนมันก็ หากได้ฟังทมคำสองพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ไอ้ ร, รมที่หัวเราะไอ้ ร, รมที่วิจารณพระอระหันต์องนั้นนะ่ะว่าท่านคงจะเป็นคนฟ้อนรำขับร้องมาแต่ก่อนนี่นะเห็นเห็นท่านยิ้มนะ่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะไปวิจารณ ไอ้ผู้อื่นซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณธรรมมันสูงอย่างนี้ท่านทำอะไรลงไปแล้วก็พะกันเอาไปวิจงวิจารณ์สนุกสนานกันอย่างนี้ไม่ได้มีโทษเหมือนกันมีกรรมเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเน่ะไอ้พึ่งพากันสังวรระวังนี่แหละการ ที่คนเรานี่ยจะพ้นทุกข์จะถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารคือพระนิพพานได้ก็เพราะการบำเพ็ญ บ, บุญกุศลพระอรหันต์ตั้งแต่ละท่านละองคประวัติของท่านเป็นมาในอดีตก็ร่วนแต่ได้สร้างบุญกุศลทำบุญให้ท่าน ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาได้ฟังธรรมบางท่านก็ได้ออกบวชเป็นลือศีบำเพ็ญกสิณฉานอยู่ในป่าได้บรรลุ ก, กสิณชานอันโลกีออกเหินเดินอากาศได้ก็มีท่านผู้เช่นนั้นนะ่ะเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าเขาได้บวช บังธรรมเมื่อได้สำเร็จมรรคผลแล้วเป็นผู้มีฤทธิ์มากอาศัยฌานที่ท่านได้บำเพ็ญมาแต่ก่อนนั้นลหละเป็นปัจจัยทำให้ท่านได้ฤทธิ์ได้เดชผู้ที่ไม่ได้เคยไม่เคยได้บาเพ็ญฌานสมาบัติมาแต่ก่อนนั่ะถึงแม้มาได้สำเร็จอรหัตอรหันแล้วก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดช อะไรย่อ ม, อมเพียงแต่ทำให้อสวกิเลสสิ้นไปจากขันธสดานแล้วก็ช่วยพระาศาสดาแนะนำสั่งสอนประชาชนไปตามความรู้เท่าที่มีเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่เพราะฉะนั้น การบําเพ็ญบุญกุศลมันก็มีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะทุกคนต้องให้เข้าใจผู้ใดต้องการบําเพ็ญกุศลแบบใดก็บําเพ็ญไปผู้ต้องการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ไป บำเพ็ญภาวนาสมาธิควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้นิวรณธรรมครอบงำรักษาจิตใจให้ส ง, งบตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้ถึงจะไม่ได้บรรลุมรคลในปัจจุบันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในข้างหน้าต่อไป เป็นอุปนิสัยที่จะให้ได้บรรลุอา ร, าอาราหัตอรหันต์ได้ถ้าชาตินี้ก็ไม่ทำเสียเลยไม่สนใจสมาธิภาวนาไม่เห็นโทษแห่งกรรมคุณเสียเลยอย่างนี้ผู้เช่นนั้นงนานพ้นทุกจะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายบริโภคกรรมคุณอยู่อย่างนั้นแหละไป ผูพกพันอยู่แต่ของไม่เที่ยงนั่นแหละไปชื่นชมยินดีอยู่แต่ของไม่สวยไม่งามก็รูปกายอันนี้มันจะมีอะไรสวยงามอยู่นั่นที่มันพอดูกันได้เนี่ยก็เพราะอาศัยการตกแต่งตัางหากต้องอาบน้ำวันละสองสามครั้งนบางคนนั่นนีต้องขัดเหงือ่อขัดไข่ออกไปจึงไม่ส่งกลิ่นไป ลบ ก, กวรจมูกผู้อืน่นถ้าลองไม่อาบน้ำสักสองสามวันดูสิแล้วดูร้อนนะยิ่งแล้วใหญ่เลยเข้าไปใกล้ใครก็ส่งกิ่นแตะจมูกเพื่อนออย่างนั้นนะันั้นอย่ว่าร่างกายอันนี้นะมันพอดูกันได้พอเข้าใกล้กันได้โดยอาศัยอาบน้ำชำระขัดถู เงือกใครอยู่เสมอเอาใส่ผ้าหนุ่งผ้าหม่ม เ, เครื่องประดับตกแต่งต่างๆเส้นซ้อยคอตุ่มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้ออะไรมด น, นี่ใส่เข้าไปดูนุ่งห่มผ้าสีต่างๆดูแลดูเหมือนว่าสวยงามดีดูผิวเผินก็สวยงามมาเลย ถ้าเพ่งเข้าไปภายในแล้วมันมีอะไรสวยงามแต่มันมันต้องเพ่งดูเข้าไปถึงภายในคนเราดูกันนะอย่าไปดูแต่ผิวนอกเฉยๆนี่แหละว่าดูแบบพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านดูอย่างพุทุชนมันก็ดูตั้งแต่ผิวนอกนี่แหละการประดับตกแต่งสวยงาม อย่างนั้นมันก็ไม่พ้นจากกิเลสตัณหามันก็เกิดความรักความไข้ผูกพันกันไปเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนเค้่นมาแล้วก็เป็นแบกภาระอันหนักในการสร้างบ้านสร้างเรือนเลี้ยงลูกเลี้ยงหล้านในรสารพัด ในธรรมจักนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้ภิกษุกปัญจวคีทั้งห้าละกามสุขขันธิกานุโยกเสียคือความพอใจในกามทั้งหลายความชื่นชมยินดีเพลิดเพลินในกามทั้งหลายนี่เป็นเหตุให้คนเราสร้างบ้านสร้างเรือนไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คือพูดง่ายๆว่าไม่เป็นทางจะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ผู้ใดยังพอใจอยู่ในกรรมมรรคสุขสมบัติอะไรต่ออะไรอยู่ก็จะต้องได้สเสวยสุกข์บ้างสวยทุกข์บ้างไปในสงสารอยู่อย่างนั้นแหละถ้าบุคคลใดยังไม่เบื่อไม่หน่ายไม่เห็นโทษในกรรมในความแก่ความเจ็บความตายต่างๆนี้แล้ว ไม่พ้นทุกข์ง่ายๆคนพวกนั้นนะมีแต่เพลินอยู่ในกามคุณทําบุญกุศลอะไรก็ปาถนาให้ปาถนาให้ได้กามคุณอันประณีตสวยงามคือให้ได้ได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัตอะไรก็ประณีตสวยงามอะไรพนี้นะปาถนาไปอย่างนั้น ท่านเมื่อบุญกุศลมันอำนวยผลให้มันก็ได้มาตามประสงค์จริงเนี่ยได้ของสวยของงามของประนีตบรรจงเมื่อได้มาแล้วก็ผูกพันอะไรแบบนี้นะติดแน่นอยู่ในสิ่งที่ตนพอใจนั่นแหละไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่า ไอ้ความสวยงามความประณิตเหล่านั้นนะมันเที่ยงมันยังยืนไหมไม่ได้คิดเลยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นของตนหรือไม่ใช่ของตนเป็นของเขาจริงหรืออย่างนี้นะมันไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณากันเลยเพราะเหตุนั้นมันถึงติดอมันจึงคล้องเอาจริงจังโลกอันมนุษย์ของเราเนี่ย ดังนั้นน่ะทุกคนเมื่อได้ฟังคำสอนของผู้เผยเจ้าแล้วไม่ควรที่จะไปก้มหน้าก้มตามยินดีแต่ในกรรมคุณในถุนสังโยช น, นั้นโดยส่วนเดียวควรจะพิจารณาให้เห็นโทษของมันบ้างไม่ว่าเครือขัดไม่ว่านักบวชเมื่อผู้ต้องการอยากพ้นทุกพ้นไยในสงสารแล้ว เมื่อก็ต้องพี่นยายเห็นโทษแห่งกรรมมกุณทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะจิตใจมันคล้องอยู่ในโลกนี้กักคล้องอยู่ในกรรมมกุลนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมูเนียรูปอย่างนี้มันก็หมายเอา สิ่งที่มองเห็นด้วยตาทั่วไปเลยมันในรูปแล้วมันมีหยาบมีปานกลางมีละเอียดปณะนีตต่างๆกันความอยากของจิตใจนี่มันก็อยากได้รูปอันละเอียดประนีตปานจงเห็นว่าฟังเสียงก็อยากฟังเสียงไพเราะเพราะพิ้งเห็นว่าสูดกลิ่นก็อยากจะได้กลิ่นอันหอมหวน พวกติดอยู่ในกลิ่นก็ติดอยู่ในกลิ่นของบุหรี่อย่างนี้นะกลิ่นกัญชาฟิเลเฮโรอีนเขาก็ปรุงให้เกิดมีกลิ่นหอมหวนอย่างนี้ก็โหชอบใจล้ายบุหรี่อย่างนี้นะสองและยี่สิบสามจีบก็ซื้อสูบกันเนี่ยนะเดียวว่ามันติดอยู่ในกลิ่นนะไม่ได้พิจารณาดู ให้ละเอียดถี่ทุวนลงไปในกลิ่นนั้น้อมจริงกลิ่นนั้นมันแฝงอยู่ด้วยเชื้อโรคเขามีเคมีบางอย่างผสมกับยาเส้นนันนั้นเข้าไปแล้วก็มวนเข้าไปจุดไฟไฟไหม้เข้าไปส่งกลิ่นหอมออกมา ที่แท้แล้วมันแฝงเชื้อโรคอยู่ในตัวเายฉะนั้นผู้ใดสูดดมเข้าไปในกระเพาะในลำไส้นกลิ่นอนัุหรีอยู่เนี่ยมันก็จะไปติดเป็นคราบอยู่ที่ตับที่ปอดนานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นเชื้อโรคมันทำลายตับปอดให้เสื่อมคุณภาพไป นี่คนคนหนักแน่นคนสูบบุบหรี่มากๆนี่มักจะเป็นโรคปอดนั่นแหละเหตุนั้นแหละมันไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้ไปติดอยู่แต่กลิ่นมันเท่านั้นเองนั่นเอยยันถ้าพดูดเลพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วอของเหล่านี้นะมันเป็นของหลอกตาลวงใจทําให้หลงทางหัก หลงไปสู่ทุกข์มันรู้ตัวเองเนี่ยมันก็เบื่อเมื่อเบื่อแล้วมันก็ไม่อยากแหละไม่อยากสูกไม่อยากบริโภคมันเลยคนขาดปัญญาแล้วมันจะละความชั่วไม่ได้เลยคนละความชั่วได้นั้นรู้แต่คนมีปัญญาทั้งนั้นเลยคนรู้จักคิดรู้จักค้นคว้าหาเหตุหาผล อย่างเช่นผู้ที่เจ้าตรัสว่าตัณหาแหลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะก็เอามาคิดมาพิจารณาเรื่องตัณหาแปลว่าความทะเยอทยานอยากอืมันอยากอะไรบ้างอยากรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั่นแหละไม่มีอะไรจะให้อยากลงในโลกอันนี้นะมีห้าอย่างนี้แหละอเมืม่ออยากแล้วมันก็แสวงหา เมื่อเมื่อเวลาแสวงหาอยู่นั่นก็เป็นทุกข์มันไม่เป็นทุกข์อย่างไรแหละชาวนาก็ทำนากรม้นทนแดดชาวนาชาวสวนนะ่ะทำการค้าการขายก็ต้องเป็นทุกข์เพราะจัดสินค้าขายเป็นทุกข์เพราะไม่มีคนเข้าร้านเอใจนั่นนิกอยู่เมื่อไรเนาะจึงจะมีลูกค้ามาซื้อของเขาวะ เมื่อไม่มีลูกค้าเข้าร้านเขไปก็กเดือดร้อนวันนี้แย่ yeah, เลยไปเอาเงินที่ไหนมาใช่พ อ, อกินทุกวันเอขายของไม่ออกกําไรไม่มีไปเอาอะไรมาจ่ายวะนี้วิตกวิจารณ์อะไรยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่พวกค้าขายไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขอะไรนะะโอ้ยแสนทุกทุกข์ใจนู่นน่ะ ถึงจะได้อยู่ร่มอยู่เงาก็ช่างนะเมื่อก็สบายแต่กายนะ่ะแต่ใจไม่สบายหรอกแต่ถ้าขายของดีมีกำไรอ่าดีอกดีใจถ้าขายของไม่ดีขาดทุนเนี่ยเนี่ยเศร้าใจนี่มันอย่างนี้แหละชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้นะมันมีแต่ความผิดหวังความสมหวังนั้นมีน้อยเต็มที ถัาผู้มีปัญญาในพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมกก็เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้องค์ยังเบื่อหน่ายสเสด็จหนีออกบวชไปเลยดังนั้นแหละในพิจารณาดู การพิจารณาตามคําสอนอุตธเจ้าอย่างนี้ถึงแม้ว่าผู้ที่ไม่ได้ออกบวชอยู่คงเรือนก็จะทํากิเลสตัณหานะให้เบาบางลงไปได้อย่างนี้แหละไม่ไม่ได้สะสมให้มันหนาแน่นขึ้นไปกวู่เกลเ่นบะกิเลสตัณหาได้พาให้ไปทําบาปอย่างนี้นะมันก็ละได้อืม พาให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามกล่าวมุสาวาดื่มทุ ร, ราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้มันก็เกิดจากตัณหาในท้งนั้นแหละจะเนาว่าตัณหาไฟาบาปอากุศลผู้เห็นภัยในบาปในโทษผู้เห็นว่าบาปจะมีจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้ว บุคคลทำบาปเหล่านี้เมื่อไม่เห็นโทษของมันะเลยทำไปเรื่อยๆตายแล้วก็ไปตกนรกอไปไหมในนรกนัน่นแน่นอนเลยพระองค์รู้แจ้งแล้วจึงได้มาแสดงผู้มีปัญญาเชื่อคําสอนของพระองค์ในที่นี้มันก็เว้นได้ออืไม่อยากไปตกนรกไม่อยากทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนาน อย่างนี้ก็พยายามเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้เลยมันเว้นได้คนมีปัญญานะทำไมจะเว้นไม่ได้นังนั้นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะพูดโดยสรุปใจความแลวกว่าพระองค์ทรงสั่งสอนให้คนเราเห็นทุกข์เห็นภัยในวะตะสงสาร น, นี่ ภัยทั้งหลายก็คือความไม่เที่ยงนั่นแหละเมื่อพูดให้ได้ใจความชัดๆความไม่เที่ยงนี่มันแปลสภาพไปอยู่เรื่อยไปไม่คงที่หมายความว่าอย่างนั้นอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยภายนอกก็เหมือนกันภายในยคือร่างกายสังขารนี่อยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปกระทารุดสุดโทมไป อย่างนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านะสอนให้คนเราเพ่งพิจารณาความเป็นไปอย่างชีวิตนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงนะมันจะได้เบื่อได้นายมันจะไม่ได้ใช้กายวาจาใจนี้ทาบาปบานี่ทําบาปแล้วไปตกนรกยิ่งทนทุกข์ทรมาน ถ้าตนยังละกิเลสให้หมดสิ้นไหไม่ได้ในชาตินี้ก็เพียรวิายามละแต่บาปกรรมมัน่นส่วนใดเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่อยากมัน่นอยากแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นเช่นนี้นะมันก็พอที่จะเป็นแนวทางเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้โดยแท้จริงดังแสดงมา